คนเรานั้นต้องมีความสุขหล่อเลี้ยงต้นทานแห่งความสุขนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละถ้าเราเข้าใจจิตใจของเราดีพอเราก็จะมีต้นทานแห่งความสุขที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้หม่นหมองทําให้เรามีความสดชื่นแจ่มใส ตลอดเวลารพระภัยสารวิสาโลเมื่อพูดถึงเรื่องของความสุขนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นที่ใฝ่หาของทุกผู้ทุกคนและเมื่อพูดถึงความสุข เราก็มักจะนึกถึงความบันเทิงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้องราทำเพลงหรือว่าความสนุกสนานในรูปแบบอื่นๆสําหรับคนไทยเราแล้วเนี่ยนะคะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าช่วงเดือนเมษาเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องชาวไทยเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเทศกาลแห่ง ค, ค, ความสุขอีกเทศกาลหนึ่งซึ่งมีการละเล่น ค่อนข้างจะหลากหลายกว่าเทศกาลอื่นๆซะอีกซึ่งก็เป็นประเพณีไทยที่สืบสานกันมายาวนานนะคะก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสําหรับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะคะอาจารย์แต่พอพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะอาจารย์คะ่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีศีลอยู่ข้อหนึ่งซึ่งห้ามในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานหรือแม้แต่ ระบุลงไปเลยว่าการร้องรำทำเพลงเนี่ยเป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอันนี้มันจะเกี่ยวอะไรกันล่าท้าจารย์ทำไมร้องรำทำเพลงหรือว่าสนุกสนานน่าจะเป็นเรื่องดีนะคะทำไมถึงเป็นข้อห้ามในเรื่องของการปฏิบัติธรรมไปได้ล่ะคะอะการร้องรำทำเพลงนี่มันไม่ผิดศีล น, นะไม่ผิดศีลเหรอคะพูดถึงศีลห้านะ สินห้าก็ศินห้าไม่มีแต่ในศิน8ปดมีนีคะอาจารย์เราต้องดูว่าสภาพของเราเนี่ยเราจะฝึกตัวเราขนาดไหนถ้าเราจะฝึกให้มากๆแล้วก็เพิ่มศินเข้าไปเป็นจากศีลห้าเป็นศีล8จากศินแปเป็นศีลส2บเ2 7ดนี่เป็นศีนของพระที่ว่าการปฏิบัติธรรมเขาไม่ปล่อยให้นักปฏิบัติเนี่ยไปวุ่นวายแล้วไปคลุกคลีกับเรื่องร้องราทําเพลง ก็มีเหตุผลเพราะว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความสุขปรมโลกการดูหนังการฟังเพลงนั้นการร้องเพลงซึ่งเป็นที่มาของความฟุ้งซ่านของจิตใจมีแต่การฟุ้งซ่านจิตไม่สงบมันไม่มีสติก็จึงงดเว้นแม้แต่การพูดคุยเนี่ยเขาจึงไม่พูดคุยกันมากไม่คลุกคลีกันศีลของพระวินัยของพระสะเก็ต ด, ดูดิ จะไม่คลุกคลีกันเพราะสิ่งวันนี้นำมาซึ่งความฟุ้งซ่านของจิตใจไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการดับทุกข์เลยแต่ว่ามันก็ขัดกับความรู้สึกของคนน่ะคนก็ชอบที่จะสุขสนานเฮฮาดื่มสุราอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของคนคืออยู่ว่าเราจะฝึกตัวเราขนาดไหนถ้าจะฝึกตัวเราให้มากๆเราก็ต้องงดเว้นสิ่งเหล่านี้ซะแต่ไม่ได้ห้ามนะก็ทาไป แต่คนที่จะฝึกตัวเองเนี่ยก็ต้องถอยห่างออกไปจากพวกนี้เพราะสิ่งของนี้ไม่ใช่เรื่องของการดับทุกข์เลยแต่เป็นเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นยึดติดทําให้เกิดความทุกข์ทางใจมากขึ้นการร้องเพลงนี่ดูดีๆเถอะเหมือนการบ่นเพ้อลำพันในโลกของพระอริยะตั้งกล่าวว่าการร้องเพลงคือการร้องไห้เป็นอาการของการร้องไห้ไม่เชื่อท่านลองฟังเพลงดูทีวีแล้วลอง ฟังดูนะนักร้องกําลังร้องอยู่บนทีวีนนะเราลองฟังดูได้เราลองปิดปิดเสียงดิปิดเสียงทีวีสิมองเหมือนคนนั้นเป็นคนที่กำลังจะร้องไห้บีทําท่าทำทางมันคนร้องไห้ในโลกของพระอริยะตั้งกล่าวไว้ว่าการร้องเพลงเปรียบเส ม, มือนการร้องไห้การเต้นรําท่านบอกว่าเปรียบเส ม, มือนคนบ้าคนบ้าที่ออกมาเต้นแล ก, กันนี่คือคนบ้าในโลกของพระอริยะว่าเนี่ยคือคนบ้าการหัวเลาะ ล่าเนี่ยเป็นอาการของเด็กอ่อนนอนแบกบอกซึ่งไม่เกื้อกูลต่อการดับทุกข์นั้นจิตใจเลยอันเนี้ยคือเรื่องของโลกโลกคืออย่างก็ว่าเราจะให้ความสมําคัญกับสิ่งเหล่านี้ไหมมันทําให้เราต้องยึดติดยึดมั่นถึงมัน่นในเรื่องของศีลจรงไม่ควรนักปฏิบัติจริงไม่ควรที่จะไปเสพกับอารมณ์เหล่านั้นสรุปว่าเรื่องของการร้องรําทําเพลงนั้นไม่ใช่ข้อห้ามแต่ไม่ใช่ข้อที่ส่งเสริม ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วยังจะไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็จะเป็นค่าศึกต่อกุศลใช่ไหมคะก็คิดดูเถอะในการอบรมอบรมเด็กอบรมจิตใจเด็กทำให้เด็กสงบให้มีสมาธิแต่ในคอร์สการอบรมเนี่ยมีบางช่วงเนี่ยมีการสนุกสนานเฮฮาล่าเริงเบิกบานในเชิงที่ว่าร้องราทาเพลงเต้นแรงเต้นขาดเด็กก็ไม่สงบอยู่แล้วแต่พอมาถึง ชั่วโมงหนึ่งอะมาทําสมาธิมาทําความสงบแล้วความสงบจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อไปกวนจิตให้มันฟุ้งซ่านแล้วมาทําความสงบมันก็เลยขัดกับการฝึกฝนจิตใจนี่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าเพื่อนของเราบางคนที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมะนะคะอาจารย์เวลาเขาปฏิบัติธรรมไปแล้วเขาเกิดอาการติดอารมณ์บางประการนะคะแล้วแก้อารมณ์ตรงนั้นไม่ออกแล้วเขากไ็ได้พบว่าการเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์สัก เรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้อารมณ์ของเขาเนี่ยที่ติดขัดอยู่เนี่ยมันคลายแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมต่อได้อย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคะก็เป็นการแก้เปลี่ยนอารมณ์ที่ดีเหมือนกันนะเปลี่ยนจากความทุกข์ความเหงาความเสงไปหาความสนุกสนานซะก็เปลี่ยนจากความทุกข์ความเศร้าความเสงี่หาความสนุกแต่เราก็ไปติดในความสนุกเปลี่ยนได้นะ แต่เปลี่ยนอย่างหนึ่งก็ไปติดอย่างหนึ่งมันอย่างกัไปมีคอมมอนนิตแต่ไปติดผู้ก่อการร้ายมันก็ไปคว้าอย่างหนึ่งก็ไปเกิดการยึดมั่นถือมันไม่ต่างกับคนที่ไม่ได้ปฏิบาททาัติธ <คน S 1> รรมคะจนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็ทําอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ต้องบอกแต่ก็ทําอยู่แล้วแต่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้จักเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ที่เป็นอกุศลไปคว้าอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์อกุศลคือความทุกข์ความเศร้าความเบื่อในจิตใจความวุ้งซ่าร อันนี้รกว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนอารมณ์อกุศลซะเป็นกุศลซะโดยการไปหาสิ่งที่เป็นกุศลการสวดมนต์การทำวัดก็จะเป็นประโยชน์การไปพูดคุยธรรมะกับครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นประโยชน์จิตใจก็เกิดกุศลด้วยหรือการไปทำประโยชน์กับสังคมการให้ทานการไปภาวนาการไปทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ในส่วนรวม ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กว่าที่จะไปหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ที่เป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาต น, น, นจิตใจเลยเพน้นหนีอย่างหนึ่งแล้วไปติดอีกอย่างหนึ่งและเราต้องแก้ไขที่เราติดอและเมื่อไหร่มันจะหลุดพ้นจากอารมณ์นี้ได้การที่จะเปลี่ยนอารมณ์นั้นเปลี่ยนเป็นเพียงแค่ชั่วคราวอย่างเช่นเราเจริญสติเนี่ยโอ้ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านนักมันเบื่อมันเซ็งก็ไม่เป็นไรนะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นซะ ไปกวาดบ้านตัวบ้านจัดของอย่างมีสติอย่างในในวัดเนี่ยเวลานักปฏิบัติเขาตัวสติแล้วมันฟุ้งมากๆมันเครียดมากๆมันง่วงมากมาบางทีอารมณ์แบบนี้มันรุนแรงสติเรายังไม่เพียงพอเขาก็สามารถไปเปลี่ยนอารมณ์อย่างอื่นได้โดยการที่ไปกวาดวัดไปกวาดวัดไปทําความสะอาดตาลาการไปเรียนทำความสะอา ด, าาาาอาดลานเจดีโบสถ์วิหาร ไปกวาดไปทำความสะอาดแล้วก็มีสติอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นนะมันก็เป็นการคลายผ่อนคลายจากอารมณ์ที่มันเครียดมันหมกมุ่นหรือมันง่วงนอนเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมหรือว่าเป็นการฉลาดในการแก้ไขอารมณ์ของจิตใจสรุปว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปแล้วรู้สึกว่าติดขัดไม่ก้าวหน้าการเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นแต่ไม่ควรจะเลือกเปลี่ยนอารมณ์ไปในทางที่ ทำให้จิตใจของเราเนี่ยฟุ้งซ่านควรจะเลือกหาการทำประโยชน์อะไรที่ทำให้ใจของเราเนี่ยสามารถที่จะคลายแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอยู่ในเรื่องของกุศลครับใช่ไหมคะครับพูดถึงตรงนี้นะคะก็ต้องกลับไปคุยกันนิดนึงถึงเรื่องของข้อคิดข้อธรรมที่นำมาฝากเพื่อนของเราในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นข้อคิดข้อธรรมของหลวงพี่ไพศาลวิสาโลที่กล่าวว่า คนเรานั้นเนี่ยต้องมีความสุขหล่อเลี้ยงนะคะอันนี้เนี่ยจริงใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นธรรมดาคนเราที่ทุกวันเนี่ยไม่มีความสุขหรอกคนทั่วไปโดยแล้วไม่มีความสุขบางคนยิ้มสุขนานล่าเริงดูจริงๆเอ๋เขามีความสุขจริงไหมเพราะถาหกว่าเรามีความสุขแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอก ที่เราทุกวันเนี่ยที่เราสลดขุนานได้เนี่ยครับเพราะว่าเราไปสแสวงหาความสุขคนที่จะไปสแสวงหาความสุขเนี่ยก็คือคนที่ยังขาดความสุขมันคนที่ยังจะต้องกินข้าวอยู่เพราะยังหิวอยู่ใช่ไหมคนทั่วไปก็ต้องสแสวงหาความสุขเพื่อให้จิตใ จ, จมันเป็นสุขแสดงว่าคนทั้งหลายเนี่ยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมีความทุกข์ครอบงำจิตใจนิดอย่างนี้แสดงว่าความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอยากให้มีเอาไว้มากๆ ให้หล่อเลี้ยงจิตใจไว้มากๆชีวิตจริงจะสดชื่นเบิกบานโดยทั่วไปก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วทีนี้การไปแสวงหาความสุขเนี่ยบางทีมันไม่ได้สุขนะบางทีมันเกิดความทุกข์มากกว่าสุขก็มีสุขเพียงนิดหน่อยแต่สิ่งที่จะเดินไปหาความสุขตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ารเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจถึงเรื่องความสุขความสุขคืออะไรมันเกิดขึ้นที่ไหน ถ้าอย่างที่หลวงพี่ไพศาลกล่าวไว้เนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเราเข้าใจจิตใจของเราดีพอเราก็จะมีต้นฐานแห่งความสุขที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้หม่นหมองทำให้เราเนี่ยมีความสดชื่นแจ่มใสตลอดเวลาได้ไประเด็นนี้สำคัญมากเป็นทั้งคำตอบแล้วก็เป็นทั้งคำเฉลยรหรือเป็นทั้งกับคำถามกับคนบางคนบางคนเกิดคาถามอ ม, มันเป็นไปได้ยางไรทีนี้คาถามเหล่านี้ ที่จริงมันไม่ใช่คาถามนะมันเป็นคำเฉลยอยู่แล้วในตัวถ้าเราเรียนรู้หรือศึกษาเรื่องจิตใจของเราศึกษาเรื่องจิตใจเนี่ยเราจะรู้ความจริงของความสุขเวนน้อยเราก็เข้าใจแล้วว่าความสุขไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายความสุขอยู่ที่จิตใจสุขทุกข์อยู่ที่ใจเราถ้าเราเข้าใจเรื่องของใจหรือรู้แจ้งเรื่องของใจแล้วก็ เราจะไม่ต้องไปแสวงหาความสุขที่ไหนเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติของจิตใจเนี่ยมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่วุ่นวายอยู่แล้วใจที่เป็นปกติประพัดสอนอยู่อันนี้มันอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ความสุขความทุกข์เป็นเพียงแค่สมมุติแต่จิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตดั้งเดิมแท้แท้เนี่ยเขาเป็นปกติอยู่แล้วดีอยู่แล้วว่าไงแล้วทีนี้ถ้าเข้าใจว่าของเก่ามันดีอยู่แล้วเนี่ย ถ้าเราไปสแสวงหาของใหม่เข้ามาเพิ่มมันจะทำให้ความดีอย่างนั้นที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันมัวหมองไปพลาดจากความเป็นปกติไปเพราะฉะนั้นการที่เราไปสแสวงหาความสุขให้ใจเราเนี่ยเท่ากับเป็นการทําอะไรบางสิงบางอย่างไปปิดบังความสุขที่แท้จริงของใจเราโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยผ่องใสเป็นปกติอยู่ก่อนแต่อิจนั้นมัวหมองเพราะว่ามีอุปกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง มันจรมาสู่จิตเป็นครั้งคลาวเขาเป็นแขกจอนมาเป็นครั้งกล่าวแล้วเดี๋ยวแขกเนี่ยก็จะจร อ, ออกไปจะอยู่ไม่ได้หรอกเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ออกไปจากจิตจิตก็ผ่องใสเหมือนเดิมปกติจิตผ่องใสอยู่แล้วพอแกกจรมาเรื่องของความคิดเรื่องของกิเลสเนี่ยจอนมาสู่จิตจิตก็มัวหมองก็เนี่ยคือสภาวะที่เป็นทุกข์แต่พอแขกนั้นจอนออกไปจากจิต จิตมันก็พองใสเหมือนเดิมนี่เป็นธรรมชาติเข า, างั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงเน้นว่าให้เราเฝ้าสังเกตดูดูแขกที่มันจอนมาการเฝ้าสังเกตดูแขกที่จอนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแขกที่จอนมาหมายถึงความคิดหรือการปรุงแต่งต่างเนี่ยจอนมาแล้วมันก็จอนผ่านไปไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแค่มีสติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอรู้สึกตัวในการกระทําในสิ่งต่างๆ การรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการเฝ้ารักษาจิตให้เป็นปกติไม่แขกคืออุปเกเสหรือความคิดเข้ามาสู่จิตได้ซึ่งจรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการเฝ้าดูจิตอยู่เนืองด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเราเห็นว่าอุปเกเรต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่ไม่นานแต่ถ้าเราไม่ดูจิตหรือไม่รู้สึกตัวเนี่ยไม่รักษาเพราะว่าอย่างนี้ไวเนี่ยเด้เราก็เผลอเข้าไปอยู่กับความคิดความโลภความโกรธความหลง ความมัวหมองนั้นแต่ที่จะผ่านไปไวกลับมันทรงอยู่นานเพราะสุดท้ายมันก็ต้องผ่านไปแต่กว่าจะผ่านไปจากจิตใจเราได้เนี่ยโอ้เราเป็นทุกข์อยู่นานอย่างที่พระุธองค์ก็ตรัสไปว่ากระแสะหเหล่าใดในโลกนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสติเท่านั้นเป็นผู้ที่กั้นกระแสะเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาสู่จิตได้สติเนี่ยเป็นเครื่องกั้นกระแสะของอารมณ์ต่างๆจะเป็นความสุขความทุกข์ดีใจเสีย ใ, ใจ บุญบาปดีชั่วถูกผิดไอกระแสของความเป็นคู่เนี่ยที่เป็นแขกจอนมาเนี่ยมีทั้งแขกหน้าขาวแขกหน้าดำแขกหน้าขาวคือแขกที่เป็นกุศลแขกหน้าดำคือแขกที่เป็นอกุศลถ้ามีสติเนี่ยแขกพวกเนี้ยเข้าสู่จิตใจไม่ได้เขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะนั้นเมื่อมีสติอยู่แล้วเนี่ยสิ่งเนียมันก็จะเข้าสู่จิตไม่ได้เขาจึงให้เราฝึกที่จะรู้สึกตัวไว ให้รู้สึกตัวว่าเป็นการรักษาจิตให้เป็นป ก, กติเข้าไว้การทําอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันช่วยทําให้จิตเนี่ยมียามระวังของตัวมันเองโดยความที่จะมันจะรู้สึกของมันเองเรื่อยๆเพราะเป็นการสอนให้มันรู้สึกรู้สึกให้ระวังยาให้แขรเข้ามาสู่จิตนะให้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นการฝึกเราื่องการเจริญสติบ่อยๆทําบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆในการใช้ชีวิตนอนนั่งยืนเดินให้รู้สึกตัวเวลามันคิดก็รู้สึกตัว ให้มีสติรู้ตัวเสมอๆ เ, เนี่ยเป็นการสร้างความเคยชินให้จิตที่มันเคยชินจะรู้ให้มันมากยิ่งขึ้นต่อไปไม่ต้องไปทำมันเกิดขึ้นมาเองโดยสภาวะโดยธรรมชาติจากคะแล้วทีนี้เกิดสงสัยต่อว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าตัวของเราเองนี้เนี่ยเข้าใจจิตใจของเราดีพอแล้วเอาอะไรเป็นตัววัดคะก็ทุกรดลงมี ค, ความวดลงนี่ก็แปลว่าเราเข้าใจตัวเองดีแล้วเหรอคะดีแล้วที่เรา มีความทุกข์มากเพราะเราไม่เข้าใจตัวเราเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งความยึดมั่นเกิดจากความอยากและเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเนี่ย้า ใ, ใจเราเนี่ยเป็นทุกข์มากแต่ถ้าทุกข์ในใจเราลดลงผ่อนคลายสบายๆเนี่ยแสดงว่าทุกข์เนียมันลดลงแล้วสุดท้ายก็คงมาจบลงตรงที่ว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเราแค่เพียง รู้กระทบโดยที่ไม่รับกระทบได้นี่แปลว่าเรานี่มีการพัฒนาในตัวของเราเองมากขึ้น <c oughs> ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเราสแสวงหาความสุขไงใช่ไหมแต่ถ้าเรายังมีความทุกข์อัดแน่นอยู่ในจิตใจเนี่ยเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาพาความทุกข์ออกไปจากจิตใจซะโดยการที่รู้แจ้งเห็นจริงในของจิตแล้วเนี่ยเมื่อความทุกข์ออกไปจากจิตเนี่ย จิตมันก็เป็นสุขของมันเองอยู่ในตัวภาะวะที่เป็นสุขทึ่มีอยู่แล้วเนี่ยจะแบบปรากฏตัวขึ้นมาที่ว่าเราสมมติว่าสุขแต่ที่จริงมันอยู่เหนือนะมันไปเพราะาที่เหนือสุขเหนือทุกข์มันคืออะไรมันก็คือความสดชื่นเบิกบานอยู่ในจิตใจเราภาะวะเนี่ยจะปรากฏตัวออกมาเมื่อความทุกข์ออกไปจากใจเราพูดได้เลยไหมคะว่าถึงที่สุดแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็แค่เพียงเรื่องของการฝึกใจของเราให้รู้กระทบในสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราโดยที่ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยกระเทือนหรือกระแทกจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องในทางบวกหรือว่าทางลบรู้แล้วก็ปล่อยอะไรผ่านู้ <มา S 1> แล้วเฉยๆโดย <มา S 1> ที่ไม่ต้องไปกระเทือนหรือกระเพื่อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอคะอะไรก็ตามที่ผ่านมาแล้วทําให้จิตเราซ่อมมองกระเทือนกระเพื่อนมน่ก็ตาม ก็รู้จักปล่อยวางมันซะอย่าไปยึดติดอย่าไปให้ความสําคัญมั่นหมายกับมันอารมณ์ของโลกเนี่ยมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของโลกโลกแต่เราก็รู้ไว้อ้อนี่สุขอันนี้คือทุกข์อันนี้คือสุขแล้วก็รู้จักที่จะปล่อยวางซะปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันจิตมันก็เข้าสู่เพราะที่เป็นปกติ